วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาของพระทั่วทั่วไปทั่วพระราชระยาจักรและที่อื่นๆก็เข้าวันนี้เช่นเดียวกันวันนี้เป็นฤดูฝนแรมค่ำหนึ่งเดือนแปดเข้าฤดูฝนวันนี้ที่ผ่านมาเป็นฤดูร้อน นี่เป็นการเวลาที่พระทั้งหลายเราจะได้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติศีลธรรมอบรมจิตใจของตนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ใช่มีธุระไปทางโน้นทางนี้ค้างวันค้างคืนที่อื่นใดอยู่สถานที่ที่เดียวมีแต่การบาเพ็ญสมณธรรม ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตนเองหลักใหญ่ที่ได้แนะนำอยู่เสมอย้ำเสมอสำหรับในนักในวัดนี้ความเพียรเป็นหลักหนักแน่นยิ่งกว่ากิจการงานอื่นใดเราไม่เคยส่งเสริมงานใด ยิ่งไ ป, ไปกว่างานจิตตะภาวนาเพราะเราเคยได้เห็นผลอย่างนั้นในตัวของเราเองที่เดมาแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงอยู่เวลานี้ได้ดำเนินมาอย่างนั้นเห็นผลมาอย่างนั้นประจักษ์ใจเรื่องการยุ่งนั่นยุ่งนี่การก่อการสร้างการติดต่อผู้คนญาติโยมนั้นสำหรับผมเองไม่มีพูดได้เด็ดขาดเลยเวลา เก้าเข้าสู่ทางด้านภาวนาเรียกว่าขึ้นเวทีแล้วตั้งแต่บัดนั้นจึงเหมือนหนังว่าเปลี่ยนความรู้สึกใหม่ให้หมดให้เหลือแต่ความตั้งหน้าตั้งตาชำรากิเลสภายใน จ, ใจิตใจตลอดไปจนกว่าจะสิ้นซากจากหัวใจกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาด้วนด้วนนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่มี พ่อปรีดแหวะอะไรเลยเพราะได้ฟังอัดฟังคำจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นยังถึงใจแล้วเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานจะก่อนเรียนไปเท่าไร่ความสงสัยคืบคลานไปตามบาปบุญนรกสวรรค์สงสัยไปทั้งนั้นทั้งทั้งที่บุญเจ้าสอนไว้เต็มหมดเต็มบาทเหมือนธรรมทั้งหลายไม่ยิ่งย่อนกว่ากันเลยเรื่องบาปมีบุญมีนรก มีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีเปรตผีประเภทต่างๆนับจำนวนไม่ท่วนในใจโลกธาตุนี่มีอย่างนี้ก็ตามความจำมันก็จำของมันไปได้อย่างที่เรียนมานั่นแหละแต่ความสงสัยมันก็คืบคลานไปตามทุกแง่ทุกมุมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วด้วยความถูกต้อง เป็นาบาปบุญนรกสวรรค์ไปตน้นว่ามีมันก็ทำให้เกิดความสงสัยอยู่นั้นจนได้ไม่มีใครมาบอกมันนักเป็นในนิสัยสันดานของเราเองเอจึงได้แบกความสงสัยนี่เข้าไปหาหลวงปูม่ม่านเราเได้รับคำชี้แจงอย่างจะแจ้งหายสงสัยตั้งแต่วันแรกนั่นเลยทีเดียวถึงที่เลยว่า หมดแล้วเรื่องความสงสัยแล้วมผลนิพานแม้กิเลส จ, จะมีอยู่ก็าตามหาความหายสงสัยนี่หายโดยสิ้นเชิงว่า ง, งั้นเถอะ<ม>เรื่องความเชื่อในมรลนิพานธนี่ก็เชื่ออย่างเต็มหัวใจนี่แหละที่มันเป็นกำลังใจให้เกิดความมุ่งมั่นต่อมรลนิพานตลอดไปเลยกำลังใจจริงไม่มีคำว่าอ่อนแอทอดเท้ เพราความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกมีมรรคผลนิพพานเป็นที่รับรองเอาไว้จากการปฏิบัติของเราความมุ่งมั่นจึงมีกําลังกล้าจากทุกยากลำบากขนาดไหนมันก็ไม่เคยถอย้เรื่องความมุ่งมั่นต่อแดนมรรคผลนิพพานจึงได้เล่งความภาคความเพียรตลอดมา ผลกับปรากฏเป็นที่พอใจเป็นลาดับดาําดัาส่วนไหนที่มันผิดพลาดไปเพราะเราทางไม่เคยเดินมันก็ผิดพลาดไปก็จะมาเล่าให้หมู่เพื่อนฟังเช่นจิตเสื่อมนี้เสื่อมเอามากถึงขนาดที่ว่าเคล็ดลาบเลยทีเดียวเสื่อมขนาดนั้นลนะ่ะทุกมากขนาดนั้นนะ่ะ คนเราธรมรมดาจิตไม่มีความเจริญขึ้นให้เป็นที่ปีติยินดีเอืบอิ่มภายในใจอยู่ธรรมดาเราเร า, เราท่านท่านนี่ความทุกข์ก็มีธรม ร, ธรมดาธรรมดาไม่ได้หลุนแรงเหมือนผู้มีจิตอมคืนกับถรรมเป็นขัน้นเป็นตอนจนถึงเป็นที่อบอุ่นภายในตัวเองมีความเป็นสุขสงบร่มเย็นนี่เลย ผู้นี้เวลาจิตเสื่อมแล้วจึงมีทุกข์มากที่สุดนะแต่ก่อนเราก็ไม่มีเพราะจิตเสือเ่อมนี้มาแห่ความทุกข์โหล่ตัวมาสุมอยู่ภายในหัว อ, อกตลอดเวลารีแปงเปลี่ยนแป ง, แปงท่าไหนท่าไหนจะาให้จิตฟื้นขึ้นมามันก็ไม่ฟื้นไม่ฟื้นอยู่ที่ไหนเป็นตกนรกทั้งเป็นทั้งเป็นตลอดเวลาเพราะจิตเสื่อมเป็นทุกข์มากยิ่งกว่าจิต ที่ไม่เคยอบรมธรรมะได้ผลเป็นที่พอใจในขั้นเช่นนั้นมาเลยนะนี่ผมเป็นแล้วจึงได้สอนมู่เพื่อนให้เข็ดให้ลาให้ละมัดระวังเมื่อจิตมีความสงบร่มเย็นให้รักษาระดับแห่งความสงบร่มเย็นไว้ด้วยความมีสติความภาคยัอยาห่างไกลกันจิตจะได้รับการประครับประคองจากสติขม ปัญญาศรัทธาความเพียรท้องเราตลอดไปแล้วจิตเขาจะค่อยก้าวหน้าขึ้นไปโดยลำดับลำดาถ้าไม่มีหลักเลยนั้นพระเราอยากเข้าใจว่ามีคุณค่านะไม่ได้มีคุณค่าอะไรยิ่งจิตเสื่อมอย่างผมที่ว่า ท, ที่เสื่อมมานีแล้วไม่แหไม่มีอะไรเทียบเท่าได้เลยความหมดค่าหมดราคา เหลือจะลมหายใจมองดูหัวใจเมื่อไรเป็นไปตลอดเวลาเพราะความเสียดายความสมาธิที่เคยเจริญแล้วถึงขนาดที่แ่าแน่นเป็นหินไปเลยนะจิตเรานั่นละที่ทำให้เราตายใจนะจิตสงบเข้าไปสงบเข้าไปถึงขนาดแน่นเป็นเหมือนหินเลยอยู่ที่ไหนสบายหมดเลยลื่นลื่นบันเทงอยู่กับ ความสงบที่แน่นหนามันคงนั้นแล้วก็เราก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นถ้าวิถทางก็ไม่เคยเดินยังไม่รู้จักวิธีรักษาเข้มงวดกวดขันแล้วก็มางานที่จะทําให้จิตเสื่อมก็คือมาทํำกร ด, ดหลังหนึ่งเท่านั้นเองการภาวนาไม่ค่อยติดค่อยต่อทีแรกมันก็แน่นปึง่งแน่นปึ่งของมันขั้นนานไปหลายวันไป รู้สึกมีลักษณะเปลี่ยนแปลงเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างอ่าแปลกแล้วอ่ะนี่จิตเราจะเสื่อมนั่นนี่นาวะแล้วขยับว่ใหญ่รีบร้อยตรให้เสร็จเรียบร้อยดีไม่ดีช่างหัวมันออกปฏิบัติเลยตั้งแต่นั้นเสื่อมลงไปเรื่อยๆจนหมดเนื้อหมดตัวเลยนะไม่มีอะไรเหลือติดตัวนั่นแหละที่มีแต่ไฟล้วนๆสมหัวใจ เสียดายก็เสียดายทำความภาคเปียนเต็มเม็ดเต็มหน่วยบางคืนไม่นอนตลอดลุงพอจิตค่อยก้าวขึ้นก้าวขึ้นก็พยายามใหญ่เลยพอไปถึงขั้นที่มันเคยเสื่อมไปอยู่นั่นได้เพียงสามวันสามวันเท่านั้นแล้วก็เสื่อมมาต่อหน้าต่อตาอย่างรุนแรงหักห้ามต้านทานไม่ได้ลงถึงขี แห่งความหมดละ่ราคาเหลือแต่ตัวปเปล่าเอาขยับขึ้นอีกสิบสี่สิบห้าวันได้ถึงที่นั้นแล้วลงอีกอยู่ได้เพียงสามวันเป็นอย่างนี้มาเป็นเวลาปีกว่า <c oughs> มันเริ่มเสื่อมตั้งแต่เดือนพฤศจิกาส่วนพศออเท่าไหร่ผมก็จาไม่ได้จาได้แต่ว่าเดือนพฤศจิกาจิตเริ่มเสื่อมแล้วไปฟื้นขึ้นได้เดือนเมษาปีหน้านุน พุทธิการแล้วก็ทันวามกรากุมพามมนาเมซาเสื่อมถึงปีหนึ่งกับห้าเดือนนี่แหละได้รับความทุกข์ความทรมาณเอาอย่างมากจึงได้ตั้งวิธีใหม่เนี่ยก็ได้นำมาสอนหมู่เพื่อนวิธีใหม่นี่คือยังไงแต่ก่อนเราไม่ได้กำหนดเป็นธรรมบริกรรมกำหนดความรู้เฉยๆพยายามไม่เผลออยูอย่อยู่กับความรู้ ความรู้อยู่กับตัวมั่นเสื่อมไปได้จิตทะเลสาไหลไปคิดอย่างอื่นอย่างใดไ ด, ได้เราก็ไม่รู้จนกระทั่งมันหมดทางไปจริงๆแล้วจึงได้ย้อนมาคิดคำหนึงคำนวณว่าหรือจะเป็นเพราะเราไม่นำำมําคําบุญกรรมเข้ามากํากับใจให้มีที่ยึดที่เกาะไว้ด้วยสติมันจึงได้เสื่อมไปอย่างนั้นข้าวนี้เราจะตั้งใหม่เอาข้าวนี้เอา คำบุิกรรมเป็นหลักไม่ได้กำหนดเอาเฉพาะความรู้เหมือนแต่ก่อนซึ่งขึ้นแล้วก็จ ะ, จะเจริญขึ้นแล้วเ ส, เสเื่อมลงเสื่มลงไงจึงได้ตั้งเหมือนว่าตั้งต้นใหม่เอาจะตั้งแต่วัรนี้ต่อไปเราจะภาวนาด้วยบทคำบริกรรมคือพุทธโธผมชอบพุทธโธ นิสัยผมกลมกลืนกับพุโทโธมาดั้งเดิมก็ตั้งกำหนดกฎเกณฑ์ให้ใหม่ทีนี้จะบริกรรมด้วยพุโทโธแต่สำหรับนิสัยผมนี่รู้สึกว่าเป็นคนจริงจังมากตลอดมาพอว่าตั้งกับคำว่าพุโทโธก็เหมือนทำสติวันสัญญากันเลยจะเคลื่อนเป็นอื่นไปไม่ได้ กับคําว่าพุโทโธจะต้องตั้งกันตลอดเวลาไม่ว่าียาบทใดจะไม่ยอมไม่เผลาจากคําว่าพุโทโธนี่เลยตั้งตลอดตั้งก็ตื่นนอนตั้งไม่ให้เผลอควบคุมกันตลอดเวลาทุกก็ให้อยู่กับพุโทโธสุข ก, ก็อยู่กับพุโทโธเอามันจะเสื่อมไปทึงไหนก็ให้มันเสื่อมมันจะเจริญก็ตามเพราะความเสื่อมความเจริญ น, นี่เรามัน เคยมาพอแล้วจนอิจฉาละอาัยต่อความเสื่อมความเจริญเท่านี้มันจะเสื่อมให้เสื่อมไปจเจริญก็จเจริญไปจะไม่ถือว่าเป็นอารมณ์ยิ่งไปกว่าการบริกรรมด้วยความมีสติไม่ปล่อยวางนี่เท่านั้นจึงได้ปากลงตรงนั้นแล้วปักจริงๆนะเอาอยู่กำนันเลยจะเจริญก็ตามเสื่อมก็ตามไม่ออกมาเป็นอารมณ์เพราะเราเคยเป็นอารมณ์แล้วก็สร้างความทุกข์ร้อนให้ออกมามากขนาดไหน ตอยเลยเมื่อภาวนาไปเขาภาวนาเข้าไปพุทโธเข้าไปพุทโธเข้าไปบางคับจิตตลอดเวลาสุดท้ายจิตที่เคยเสื่อมเคยเจริญมันก็ไม่เสื่อมค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นค่อยสงบเย็นใจเข้าไปเข้าไปปักเข้าไปเรื่อยๆไม่ถอยจนกระทั่งจิตสงบถึงบางครั้งนิส ครับบริกรรมไม่ได้นะคือจิตมันละเอียดสงบเข้าไปจนถึงขั้นละเอียดนึกทาบริกรรมไม่ออกเลยคือหมดจริงๆปรุงขึ้นมาไม่มีเลยไม่มีเลยเหลือตั้งแต่ความรู้ที่ละเอียดสุดอยู่ในนั้นในจิตขั้นนี้จนเกิดความงงเออนี่จิตของเราบริกรรมมาตลอดเนี่ยคราวนี้คําบริกรรมก็ไม่มี บริกรรมยังไงก็ไม่ปรากฏทำยังไงก็ไม่ปรากฏเหลือแต่ความรู้ที่ละเอียดแล้วจะทำยังไงงงกลัวมันจะเสื่อมอีกจึงได้งงก็เลยได้สติเอา้าถ้าว่าคาบริกรรมมันหายไปเอา้าให้หายไปแต่กับความรู้อันนี้จะไม่หายสติจะจับเขาอยู่กับความรู้อันนี้จนกว่ามันบริกรรมได้เมื่อไหร่จะบริกรรมทันทีจิตก็ปักอยู่กับความรู้ พอได้จังหวะความรู้ที่ปรุงไม่ได้นี่มีแต่ความละเอียดรู้อย่างละเอียดลเอียดนะมันค่อยๆ ค, คลี่คลายตัวออกมาเรียกว่ามันถอยออกมา ค, คําบริกรรมบริกรรมได้เอาคําบริกรรมติดเข้าไปอีกเลยตลอดอย่างนี้เป็นเป็นเป็นพักเป็นพักเป็นพักพอถึงขั้นมละเอียดจริงๆหมดคําบริกรรมหายเลยจับอันนั้นไว้ตามเดิมตามเดิม ต่อไปไมันก็ค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนถึงขั้นที่มันเคยจเจริญแล้วเสื่อมจเจริญแล้วเสื่อมไปถึงนั้นแล้วเอา้าเสื่อมไปอยากเสื่อมก็เสื่อมไปเราไม่เป็นกังวลกับความเสื่อมความจเจริญเพราะเคยเปลี่ยนมาแล้วไม่ได้ผลอะไรเลยแต่เราจะไม่ปล่อยคําบริกรรมนี้ตลอดไปเอากันตลอดมันก็ขึ้นไปเรืเ่อยเรยเรือพอถึงขั้นมันจะเสื่อมมันก็ไม่เสืม นี่ก็ก้าวึ้นเรื่อยๆ อ, อ๋อทฤษฎีถูกแล้วนั่นนะจับได้แล้วนะจากนั้นก็ย้ำคําบริกรรมเข้าไปจนกระทั่งจิตมีความแน่นหนามัน่นคงปังๆเอาละทีเราจะจับเอาจุดแห่งความแน่นหนามัน่นคงซึ่งเป็นจุดผู้รู้อย่างเด่นชัดนี้ด้วยสติอีกเอาสติจับตรงนั้นไม่ปล่อยอยีกเช่นเดียวกับคําบริกรรมพุโทโธไม่ปล่อยวางเช่นเดียวกันจิตก็ละเอียดเข้าไปละเอยียดเขาไป จนกระทั่งปล่อยเองนะคำริกรรมเมื่อมันถึงขั้นที่จะปล่อยมันปล่อยเองมีแต่ความรู้เด่นอยู่กับความรู้นั่นโดยสติสติส ต, ตลอดไปเลยนี่วิธีตั้งความภาคผยนขอให้ท่านทั้งหลายตั้งไว้อย่างนี้ผมเคยตั้งมาแล้วได้ผลเป็นที่พอใจแต่ต้องทำจริงจังนะนี่ทำจริงจังไม่ทำเลยไม่ว่าอะไรก็ตามบินทัวบานในหมู่บ้านไม่ยอมให้เผอเลย เดินจงกรมไปตลอดเขาใส่บาทไม่ทราบเขาใส่อะไรไม่ได้สนใจมีตั้งแต่คําบริกรรมพุทโธพุทโธตลอดทั้งไปทั้งกลับทั้งขบทั้งฉันก็ดิกพลิกแผงไปไหนคําบริกรรมจะไม่ปล่อยเลยนี่เรียกว่าบริกรรมโดยแท้จงก็ตั้งจิตมันตั้งได้แล้วก็เข้าอยู่ในสมาธิจนถึงแน่นหนามันคงพอถึงขั้นแน่นหนามันคงจริงๆแล้วแน่ใจจะอของว่าไม่เสื่อมนี่ก็คือการ เวลานั่งตลอดรุ่งหักหมกันเจมเหนียวจนได้ความวัชจารย์ขึ้นมาทุกคืนที่นั่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งเป็นเวลาเก้าคืนสิบคืนนานไหมล่ะแต่ไม่ได้ติดต่อกันนะเว้นสองคืนบ้างสามคืนบ้างนั่งตลอดรุ่งทีหนึ่งทีนึ่งนับแล้วไม่ต่ำกว่าเก้าคืนสิบคืนนี่แใน คืนที่นั่งภาวนาตลอดลุ่งตลอดลุ่งนั้นติดได้ความอัศจรรย์ทุกคืนไม่มีพลาดลงแบบอัศจรรย์เลยเพราะมันทุกมากทีเดียวความทุกในร่างกายของเราจากการนั่งมากนี้ร่างกายนี้เหมือนกับท่อนสูงทุกขเวทนาเหมือนกับไฟเผาขอนสูงคือร่างกายเราทั้งทั้งทอด น, นั่นแหละนี่แหละสติปัญญามันก้าวออกตอนนี้แหละ หมุนกันไปหมุนกันมาทุกมากเท่าไรสติปัญญายิ่งหมุนติวติวเราจะไปทนเฉยเฉยไม่ใช่ทำเราต้องทนด้วยสติปัญญาฟัดกันฟัดกันพอมันรอบกันแล้วจิตมันก็นลงขผงเลยนานจิตเราไม่เคยลงอย่างนี้ลงแบบอัศจรรย์พอถอนขึ้นมาก็พิจารณาอีกลงอีกได้ได้ที่แล้วได้หลักได้เกณฑ์แล้วตั้งแต่นั้นมา ลงในนั่งตลอดลุ่งแล้วไม่มีคืนใดพลาดไปได้เลยต้องได้ทุกคืนเป็นแต่เพียงว่าช้ากับเร็วจากการพิจารณายากบ้างง่ายบ้างเป็นคืนคืนไปถ้าคืนไหนพิจารณาจับติดจับติดคืนนั้นจะไม่นานจิตจะลงถึงที่เลยถ้าวันไหนจับผิดจับพลาดนนเป็นเวลานานแต่ก็ต้องลงเหมือนกันหากช้าส่าง ก, ากันเท่านั้นนี่ทุกคืน ตังฉะนั้นหมากแน่ใจเลยว่าเอออย่างนี้ไม่เสื่อมนี่ชัดเจนเลยจิตนี้จะไม่เสื่อมอีกแล้วคราวนี้มันก็ไม่เสื่อมจริงๆนะถึงไม่เสื่อมก็าตามความนอนใจไม่นมีซัดกันตลอดเวลาจนกระทั่งจิตเป็นสมาธิหอยเหมือนเหมือนภูเขาทั้งลูกนะจิตเป็นสมาธิเต็มภูมินี่เหมือนภูเขานะ แน่นตึงตลอดเวลาเลยแล้วก็มาติดอยู่ในสมาธินั้นเสียด้วยความดื่นเริงบันเทิงเพราะเพราะจิตอิ่มอารมณ์เรื่องคิดเรื่องปรุงแต่ก่อนที่จิเลสดลากถูไปอยากคิดนั่นคิด น, นี้นี่หมดมีแต่ความสงบแน่วอารมณ์อันเดียวของจิตที่เป็นสมาธิเรียกว่าเอกัตารมอยู่เท่านั้นอยู่เท่าไหร่อยู่ได้ตลอดตลอดเลย จิตเลยติดอยู่กับนั่นเสียไม่อยากคิดอยากปรุงอะไรความคิดปรุงถือเป็นความราคาญมายุ่งไม่ได้ความสงบแน่วแน่นั่นเป็นของที่มีคุณค่ามากกว่ามันก็อยู่ในจุดนั่นเสียมันจึงติดสมาธิอยู่เป็นเวลาห้าปีสําหรับผมเองนอนใจส่วนพ่อแม่ครู อ, อาจารย์มาขนาบไล่ออกจากสมาธิมันถึงได้ออกก้าวทางด้านปัญญา พอมันออกมันก็ออกอย่างรุนแรงอย่างรวดเร็วเพราะสมาธิพร้อมแล้วอสมาธิอิ่มตัวหายเรื่องความหิหวโหยกับอารมณ์ต่างๆไม่อยากคิดอยากปุ้งถือเป็นความลำคาดมีแต่ความสงบแน่วแนวะนั้นมันติดนั่นเสียทีนี้พอก้าวออกจากสมาธิซึ่งพอตัวแล้วนั้นมันก็รวดเร็วในทางปัญญาปัญญาก้าวออกพิจารณาอะไระไรนี้ มันรู้อย่างรวดอย่างเร็วเว่าพอออกจากาออกทางด้านปัญญามันตื่นเต้นนะที่นี่ความรู้ทางด้านปัญญาไม่เหมือนสมาธิสมาธิรู้อันเดียวแนวอยู่งั้นแต่ความรู้ทางด้านปัญญามันมีความเฉลียวฉลาดแ ย, ยบคายสอดส่องมองทะลุนั้นมองทะลุนี้พูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันข้าวกลนละายทิจนาอสุภะอสุพังทุกขังอนิจังอนัตตา มันก็ชัดเจนชัดเจนเฉพาะอย่างยิ่งอสุภาสุพังนี้เอาจนกระทั่งถึงทานานเต็มเหนี่ยวเลยมองดูคนการพิจารณาอสุภาษุพังพิจารณาได้ทั้งกายนอกกายในกายนอกเช่นสัตว์บุคคลใดหญิงชายใดก็ตามมาพิจารณาเป็นอสุภาสุพังได้กายในก็หมายถึงตัวของเราพิจารณาให้เป็นอสุภาสุพังแต่ก็กระจายลงไปได้เช่นเดียวกันกับ อภายนอกเมื่อมันชํานาญเข้าเต็มที่เต็มที่แล้วสติปัญญามันรวดเร็วอมองดูคนนี้มันจะเห็นเป็นซากกระสบไปเลยน ะ, อะมองดูคนเห็นเป็นซากกระสบพริบตาเดียวเท่านั้นถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเวลามันชํานาญพอในเรื่องอายุภาศุพังจนถึงขนาดเกิดความกล้าหาญชาญใจต่อราคะตันหา ไม่มีราคาตัญหาตัวใดจะมาแสดงเย็บยิบเ ย, ย็บยิบให้เห็นเลยบางครั้งถึงขนาดที่ว่าหมดไปเลยนะแต่วันสาคัญที่เราเราไม่ไ ม, ไม่ไม่ไว้ใจไม่เชื่อหายเงียบไปเลยก็เพราะอสุภะเข้าไปเป็นหินทับหญ้าทับมันไว้ความสวยงามจึงไม่มีอันนี้ก็เลี้ยงเข้าไปมากเท่าไหร่ มันก็ยิ่งคล่องตัวคล่องตัวมองเห็นยิงเห็นชั ย, ชายขาดสะบั้นไปเลยขาสะบั้นไปเลยนี่เรื่องปัญญาที่พิจารณาควยความคล่งองแคล่วว่องไวเป็นอย่างนั้นจากนั้นมาก็มันก็ยิ่งแรงของมันทีนี้พิจารณาดูราคาตันหาอะไรมันก็หมดไม่มีอะไรเหลือเลยกาหนดอะไรมันก็ไม่มีความกำหนดมองเห็นยิงเห็นชัย มันเป็นหนึ่งให้เป็นโครงกระดูกเป็นทันทีแพ็บเดี๋ยวเป็นแล้วมองดูเป็นเป็นเป็นเนื้อเต็มตัวแดงโล้มันก็เป็นให้เห็นชัดเจนพลิกทางไหนเป็นทางนั้นเพราะความเชี่ยวชาญของปัญญาหมุนมาทางไหนได้หมดได้หมดโจนกระทั่งราคาไม่ปรากฏปรากฏหนึ่งว่าหมดไปเออไปยังไงหมดที่ราคากําหนดยังไงมันก็ไม่มี ราคาตัหาก็เพราะอสุภะสุภังทับหัวมันไวจริงจึงต้องเลยทดลองสําหรับเราเองเป็นอย่างนั้นนะต้องเลยทดลองเพราะจิตมันมันสิ้นเฉยเฉยไม่บอกขณะไม่บอกเวลาเวลาข้ามมีหรือไม่ ม, ม, มีมันไม่มีเเลยปรากฏว่านะทํายังไงมันก็ไม่มีเอาอสมมติว่าเป็นพวกสาวสาวงูสาวสา ว, สา ว, สา ว, สาว ยืนเป็นตับกันอยู่นี่เดินบุกเข้าไปได้เลยมันจะไม่มีความกำลัดยินดีในหญิงใดจะเป็นเทวดามามันก็ไม่นั่นก็พราะอสุภะสุพังเต็มหัวใจยอยู่แล้วมันเอาอสุภะสุพังออกเป็นโลกบางหน้าเบิกทางไปอย่างสบายๆแล้วจะมีหญิงชายใดที่สวยที่งามพอให้เกิดความกำนังยินดีนี่แหละมันถึงมันถึงในหมดไม่แสดงแต่มันไม่หมดจริงๆนะคือมันหมด การแสดงออกเท่านั้นเองมันสองบออตัวของมันเนี่ยการทดสอบจะของได้ท ด, ทดสอบเพราะเราเนีมมมม่มันทำยังไงมันก็ไม่มียังไงก็ไม่มียังได้ทดสอบด่ผมก็เคยเล่าให้หมู่เพื่อนสอนหมู่เพื่อนฟังวิธีการทดสอบตัวเองเอาจกนกระทั่งเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วมองดูอะไรมันมันเป็นอสุภะาทาั้งนั้ น, นไม่ว่าหญิงว่าชายแพบเดียวนี่ ขาดสะบั้นไปเลยถ้าให้กําหนดให้พังนะพังทันทีกําหนดให้เป็นกระดูกก็เป็นกระดูกโครงกระดูกอยู่งั้นกนําหนดไปยังไงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะความชานาญของจิตจากนั้นมามันก็สิ้นมันสิ้นสิ้นจริ ง, รงๆเหลือมันไม่มีอะไรเหลือเราก็ไม่ไว้ใจไม่เชื่อไม่เอาจึงต้องเลยทดสอบทบทวนใหม่ครานี่พลิกเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเรื่องอาชุพะอุพังทั้งหลาย ที่ว่าไม่สวยไม่งามมันจริงความกำนัดจริงระงับลงไปขนาดนั้นที่นี้พลิกใหม่ขึ้นมาอ่าพลิกให้มันสวยม่งามเพื่อจะทดสอบดูราคะตัญหาตัวนี้มันจ ะ, สะแสดงขึ้นในขณะใดอยากจะรู้ตัวของมันกำหนดเอาทดสอบเอาใหม่ที่นี่ไอเฉยไอที่ว่า ส, าสุภสุพังพลิกหมดให้เปลี่นรูปร่างใหม่เอาหนังหุ่มห่อเขาให้เป็นหญิงสวยยิงงาม วันหนึ่งว่าเทวดาเอาเอาอันนี้แต่พอพอหมุนไปทางสุภฉระมาได้นะักขาดก็บ้านทันทีล้างเอาไว้นะเอาสุภาพไม่ออกมาทํางานเวลานั้นจะให้ตั้งแต่สุภาพคือความสวยความงามออกมาทํางานอย่างเดียวเอาเอาเอาให้มันเต็มยศเลยนะแล้วนี้เราสอนนักปฏิบัติเราก็ปฏิบัติมาอย่างนี้แล้วสอนเอาผู้หญิงสวยๆนะนะั่นแหะมาเกอดไว้ตลอดเลย เอากอดทำยังไงมันจะกำหนัดหาอุบายวิธีให้มันแสดงให้เห็นเมื่อมันมีแล้วมันจะแสดงออกมาเพราะฉะนั้นจึงทดสอบทุกอย่างเอาทุกแง่ทุกมุมหาเหตุหาผลพูดจริงๆ ร, รู้มได้สามหรือสี่วันเนี่ยผมก็ลืมลในตอนนี้แหละทดสอบวันเนี่ยไม่พลาดจากจากกายตัวเองเลยนะไปไหนกอดผู้หญิงสวยๆไปด้วยทุกแห่ทุกมุมทาทุกอย่างที่จะมันจะเกิดความกาหนัดยินดีนะสมมติทุกอย่าง แง่ไดที่มันจะเกิดราคะตัณหาเอามาทุกแง่ทุกมุมอยู่นั่นถึงสามวันก็เนี่ยมันไม่แสดงเลยแสดงเลยอ่าจงกระทั่งลู้นจะเป็นวันที่สี่ที่ผมเทศแล้วนั้นนั่นแหละเป็นความแน่นอนคราวนี้กลายมาเป็นความจําเสื่อมแล้วแหละจริงแล้วพี่ไปพอถึงวันหาลมรุ่งขึ้นลมันเป็นวันที่ส่นั่นแหละพอะถึงวันที่ส่ ตามคืนประมาณสามทุ่มนี่นี่แหละคือให้กอดรัดกันอยู่อย่างงั้นน่ะเอาตั้งแต่เรื่องสวยๆมันหลอกมันอยู่งั้นเรื่องอุปหะไม่ให้เอาเข้ามาถ้าเอาเข้ามาไม่ได้มันขาดจะบ้านไปเลยเพราะมันรุนแรงเอาแต่อย่างเดียวพอถึงประมาณสักสามทุ่มกว่าหรือไงมันมีลักษณะยิบแยบยิบนั่นน่ะอันนี้นี่แะนี่แหละนี่แหละจับได้หรือนั่นเนี่ยเออเนี่ยมันหมดยังไงเนี่ยมีนี่คือมันมีอยู่ใน ในความเคลื่อนไหวของจิตนิดๆเท่า น, นั้นนะไม่จะมาสแสดงออกมาทางอาวัยวะนะพอให้เราจับได้มียิบยิบแหมนี่ยะชอบคนเอาแล้วยิ่งเราทํายิ่งนำทาหนักเขาหลอกเข้าไปเรื่อยเพื่อจะทดสอบหาตัวโจนภูลาที่มันซ่อนอยู่ในความสวยงามะมันซ่อนอยู่อย่างลึกลับที่มันสแสดงออกมายิบยับยิ บ, ยบเอากำหนดเขาอีกเสริมเขาอี ก, ม, อกมันก็สแสดงมาให้เห็นชัดเจน เราจะเอาเพียงความชัดเจนเราไม่เอาให้มากกว่านั้นให้เห็นชัดเจนว่าราคานี้ยังไม่สิน้นเอาคำตอบมาพอมันแสดงขึ้นมารู้ว่าอ๋อนี่มีจริงจริงยังม่อีกครั้งนี้เราจะปฏิบัติอย่างไรนาเพราะทางไม่เคยเดินเรื่องอสุภะสุภังเราก็ก้าวเดินมาแล้วมันก็สงบลงไปถึงขนาดนี้จนวันหนึ่งว่าเจ้าของนี่สิ้นราคาตัญหาแต่แล้วมันก็ไม่สิ้นอย่างนี้อา จ, จะว่าไง แล้วนี้จะปฏิบัติยังไงสุดท้ายก็เลยเอาสับปลนกันนะออพลิกแพงเปลี่ยนวาลากันเมื่ อ, อ, อกำหนดสุภาพคือความสวยงามขึ้นมาหลอกจิตให้มันแสดงตัวราคาะาสนาขึ้นมาเสร็จแล้วกเอาอสุภาพฟาดตรงไปขาดจะบ้านไปทันทีนะมันเร็วขนาดนั้นนะพอจับได้ว่ามันมีฉะนั้นอสุภาพ ฟาดลงไปนี่ทับกันนี่ขาดจะบ้านไปเลยเปลี่ยนกันอยู่ยางนั้นเปลี่ยนกันอย่อยางงั้นเวลามันจะได้กำได้เวลามันมันจะได้หลักได้เจนก็สองอย่างนี่แหละทําอย่างเนี้เปลี่ยนแปลงกันไปพลิกไปทางสูผ้าบ้างพลิกไปทางอสูภ้าบ้างกําหนดดูมันเอาเรื่องทําลายนี่มันรวดเร็วที่สุดล่ะลังเอาไว้ยังไม่ให้ทําลายเอาดูกองซากอสุภา้าเอาดูมันเป็นยังไง ดูไปดูมานี่กำหนดแพ่งดูไม่ทำลายนี่แหละตอนตอนมันจะได้ได้หลักได้เจนนะเอาให้ฟังนะท่านทั้งหลายให้ฟังเอาไว้พอถึงขั้นนี้แล้วเอากำหนดอัชุพะตั้งไว้ตรงหน้านั้นเลยทีเดียวไม่ยอมทำลายเอามันจะไปยังไงอาชุพะอันนี้นะมันทำไมมันถึงหลอกกูนักหนาน่ยวะนี่คำว่า สุภาพมามันมันก็ไปอีกแบบหนึ่งหลอกไปอีแบบหนึ่งอะสุสุภาพมาหลอกไปอีแบบหนึ่งอะสุภาพมาก็หลอกอีกแบบคือรูปสวยงามมามันก็หลอกไปอีกแบบหนึ่งรูปไม่สวยไม่งามมันก็หลอกไปอีแบบหนึ่งทั้งสองอย่างนี้มันหลอกเราต้นเห็ุมันมาอย่างไงเนี่ยเหตุที่จะจับได้เอาคราวนี้จะไม่จะไม่ทําลายมันแต่กําหนดอาสุภาพนั่นเอาไว้ให้มันนั่งเป็นคนตาย คองตัวเน่าให้เห็นอยู่ก่อนหน้าเอากำหนดไว้ที่นี่ไม่มันทำลายคือไม่ยอมทำลายถ้าเราทำลายมันรวดเร็วมากนคะพังเดียวเสร็จเลยนี่ไม่ทำลายเอาไอ้ภาพอันนี้มันจะไปยังไงมายัางไงแล้วจะดูมันที่นี่ทุกอย่างแล้วก็ทำไปแล้วมันก็เท่าที่เห็นเท่าที่เป็นมานั้นอนะ่ะยังไม่เห็นความคืบหน้าประการใดเลยคราวนี้เราจะดูไอ้ภาพสุภาพก็ดีอสุภาพก็ ด, กดีที่มันหลอกกันทั้งวันทั้งคืนมันต้น สายไปเหตุมันมาอย่างไงว่างั้นนะเลยตั้งอสุภาณ์นี้ไว้ตรงหน้าแข่งอ่าแข่งดูไม่ทําลายเหมือนย่างเพ่งกรสิเนี่ยเอาตั้งไว้นี่เอา้ามันจะไปไหนเราจะดูตัวนี้มันมาอย่างไงไปอย่างไงมันถึงนี่ลหลอกเรานั่งหนาก็ตั้งไว้นี่กำหนดแพ่งดูไม่ทําลายมันก็ไม่ทําลายแต่แข่งดูจดต่อต่อเนื่องด้วยสติดูดูด แล้วอสุภานั้นน่ะเอาค่อยหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาภายในใจแล้วก็ค่อยหดเข้ามาหดเข้ามาตามดูตลอดเอามันจะไปยังไงดูดูแล้วสุดท้าจิตนี่มันกลืนเราเองอสุภานั้นอ่ะจิตนี่กลืนเข้ามากลืนเข้ามากลืนเข้ามาจนกระทั่งถึงจิตพอเข้าถึงจิตปั๊บเต็มเหนี่ยวแล้วทีนี้ มันก็รู้ึ้นในขณะนั้นอ๋อตัวนี้เองตัวหลอกเราคือจิตเท่านั้นไปเป็นสุภะกดีไปเป็นอสุภะกดีเมื่อเวลามันรวมมันก็เข้ามาสู่จิตจิตเป็นตัวหลอกลวงเรานั้นสุภะกดีอสุภะกดีไม่ใช่ราคะไม่ใช่ตันหาตัวหลอกลวงที่มันกลืนเข้ามานี่เองเป็นเป็นเป็นราคะเป็นตันหามันก็ปล่อยปึงเลยที่นี่ปล่อยอสุภะภายนอก ูุภาพภายนอกเป็นเครื่องหลอกไปจากจิตใจตัวนี้พอดึงเข er ้ามาแล้วกับตัวนี้เองเป็นอสุภาพไม่ใช่ตัวไหนตัวจิตนี่เองเป็นอสุภาพตัวจิตนี่เองเป็นตัวหลอกอสุภาพสุภาพข้างนอกไม่ใช่เครื่องหลอกตัวนี้เป็นหลอกไปวาดภาพหลอกตัวเองมันก็จับวันนี้ได้มันก็ปล่อยผึงอะไรนั่นที่นี่ไม่ต้องบอกเอาวละที่นี่เข้าใจนี่สิ้นหรือไม่สิ้นมันก็รู้เองอย่างนี้เราไม่ต้องไปถามใครเลยนะพอถึงขั้นจับตัวได้แล้วปล่อยทันที เรื่องเหล่านั้นเป็นเงาตัวนี้เป็นตัวจริงตัวนี้เป็นนักโทษตัวนี้เป็นราคาขึ้นเลยทันถือทันทีทีนี้ก็กําหนดอีกจากนั้นนหละนะพอมันได้หลักแล้วอ่ะมันขาดจากกันแล้วระหว่างอรุภะกับจิตนี่มันเป็นจิตไปเป็นเธอเองทีนี้มันก็ฝึกซ้อมเอาอันนั้นละอันอรูะนั่นแหละฝึกซ้อมตั้งแล้วกําหนดกําหนดแล้วกืนเข้ามาตั้งเข้าไปกําหนดกืนเข้ามากืนเข้ามาเร็วเข้ามาเรื่อยเร็วเข้ามาเรื่อยกืนเข้ามาเรื่อย แล้วก็้ามาเลยปรุงเท่าไหร่เป็นภาพอะไรแล้วก็จิตนี่กลืนเข้ามาขึ้นมามาอยู่ในจิตในจิตนี้นี่เรียกว่าฝึกซ้อมในขั้นในนี้ในขั้นเริ่มแรกเรียกว่าสอบได้ห้าสิบเปอร์ซถ้าเป็นถึงขั้นอนณาข า, าก็เรียกว่าได้ห้าสิบเปอร์เซนตจากนั้นเราจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้มีความคล่องแคล่แวแก้วกาไปโดยแบบด้วยการฝึกซ้อมโดยทางอาุภ่าชุพัง แห่งอยู่นั่นแล้วกืนเข้ามากืนเข้ามาต่อไปมันก็เร็วเข้ามาเร็วเข้ามานี่เรียกว่าการฝึกซ้อมทําขั้นนี้ให้มีความคล่องแคล่วว่องไวและเอียดร อ, อโจนกระทั่งมันมั น, ม, นมันเล็วเขาโดยลำดั บ, บพอกําหนดปั๊บนี่กืนเข้าม า, าพับหายเงียบหายเงียบโจนกระทั่งไม่มีอุปภะไม่มีเลยปรุงภาพเป็นอุปภะดับลง ที่หัวใจดับลงที่หัวใจนี่คือการฝึกซ้อมทําขั้นนี้ให้มีเปอร์เซ็นต์หรื อ, อระดับสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเบื้องต้นขึ้นห้าสิบเปอร์ซนตที่เราจับหลักเรื่นี้ก่อนจากนั้นก็ก้าวไปก็ไปละเอีย่เข้าไปเลยสุดท้ายมันก็ว่างหมดเลยพุงภาพดับพร้อมดับพร้อมว่างหมดว่างหมดเลยนี่ละขั้นานาคามีนะ เต็มภูมิตอนนั้นอ่ะตอน ว, ว่างหมดว่างหมดว่างหมดจากนั้นมันก็เข้าถึงอวิชชาอาวิชชานี่เป็นขั้นสุดท้ายของอนาคามีจะเก้าเข้าขั้นนั้นพอเข้าถึงอวิชชานี้ก็ดับถึงอวิชชาพราอวิชชาดับเพิ่แลวหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงนี่ผมสู้พูดอย่างย่อๆให้ผู้ปฏิบัติตั้งหลายฝั่งวิธีการปฏิบัติ ก, ร, กรรมฐาน เรื่องราคาตัณหนาอย่าไปเชื่อมาง่ายๆ ใ, ให้จับจุดนี้ไว้ให้ดีแต่อย่าไปคาด น, นะไม่ได้นะให้มันเป็นเองในหัวใจด้วยอย่างนี้เองการสอนอยู่เพื่อนขั้นนี้สอนลำบากมากนะสอนขั้นที่จะเอากินเอาจังเขาได้เขาเขีก็ก่อนหน้ามันที่จะกลืนเข้ามาเป็นอสุภะภายในใจเฉยงนี่ต้องเป็นเรื่องของไปจิตเป็นเองการสอนแล้วอย่างนี้เแล้ว มันก็จะเป็นหมายข้างละหมายไว้ก่อนทีอ่ะมันก็ไม่จริงอีกนะต้องให้เป็นในตัวเองมันถึงจริงเพา ง, งั้นเวลาสอนหน้านี้เราจึงจึงไม่บอกนะบอกแบบนี้ไม่บอกบอกตั้งแต่ให้จับจุดนั้นไว้มันจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนไหนเราไม่บอกเอาให้จับจุดนี้ไว้มันจะเอาเคลื่อนไหวไปมาทางไหนก็ช่างหัวมันให้เราเห็นในขณะนั้นปัจจุบันปัจจุบันแล้วมันจะเข้าจัดถิ่นตัวของมันเองเนี่แล้วว่าเราพูดได้คำนั้น จะบอกแบบนี้ไม่บอกไม่ได้นะแล้วผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะจะจะมาสําคัญมันหมายอย่างละเอียดนะสัญญาตัวสมุทรไทยอยงละเอียดมาหลอกไปก่อนล่วงหน้าไปก่อนทั้งทั้งที่มันไม่สิน้นทั้งๆั้งที่มันยังไม่เื่นมันก็มาตื่นด้วยความสําคัญมันหมายตัวเองมันก็ไม่เกิดผลก็ให้เป็นหลักปัจจุบันในปัจจุบันปัจจุบั น, ปบนเป็นเองในปัจจุบันนั้นเป็นที่แน่ใจตัวเองการปฏิบัติธรรมต้องเป็นอย่างนี้นอันนี้ ออกจากนี้แล้วมันก็ฝึกซ้อมมันไปเรื่อยๆนี่ค่ะ ส, ต, สะโ ต, โติปัญญาอัตมัติไปเรื่อยหมุนที่อยู่อยู่วจนกระทั่งถึงขั้นอวิชาขั้นอวิชานี่หมดเวลามันจะเอาจริงๆแล้วโอ้ยมันพูดกับใครไม่ได้นะถ้าพูดไปผู้ฟังก็หมายอีกละมันล้าบักน ะ, ะเพราะฉะนั้นพ่อแม่กูจา์ขั้นเทพนี่ท่านอยูไหมพอเข้าถึงนั้นนั้นท่านท่านหยุดนะท่านไปพูดกับข้างหน้าน้น เวลามาเป็นในเราแล้วถึงไดรู้อ๋อทําไมท่านผู้มันเป็นเพราะอย่างนี้เองผู้ปฏิบัติจะมีความสําคัญอแล้วก็ไม่รู้ตัวเองเป็นสมุทยัยคาดตัวเองไปดูลําดับแล้วมันก็ไม่เกิดผลประโยชน์มันเป็นความคาดลึกๆลับๆที่ได้ยินจากครูวาจารย์มาแล้วมาฆ่าอย่างไม่รู้ตัวนะนี่สัญญาตัวนี้ละเอียดมากทีเดียวจึงไม่จึงไม่สอนผมสอนเวลาสอนสอนี่ผมระมัดระวังถึงขั้นอวิชาก็อิ่เหมือนกันนั่นนะ เออมันไม่ใช่เล่นๆนะให้มันเป็นขึ้นมาเองเป็นขึ้นมาเองนั่นมันประจักษ์ประจักษ์ถึงเรื่องกับวิชานี้ก็แบบเดียวกันถ้าหลงจิตใจนี้ยังไม่เห็นไม่เห็นจิตใจนี้ว่าเป็นเป็นตัวโทษตัวกรรมไว้หลแล้วนั่นแหละคื อ, อวิชาเนี่ยผู้ดได้เชียงเท่านั้นนะที่แรกก็ไปบำรุงรักษาพยายามกันอยู่อย่างนั้นแนละวว่าเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่ในนั้นในนั้นในนั้น มันก็ติดอยู่ในนั้นตัวนั้นนะคืออวิชชาพอเวลาเอาคนจริงๆแล้วมันเป็นไฟมันต้องมันต้องเป็นโทษขึ้นมาก่อนไม่เป็นโทษขึ้นมาก่อนไม่เห็นไม่เห็นโทษของวิชาและอวิชามันได้วิชชาขาดไปไม่ได้นะเนี่ยอันนี้ก็ลําบากเหมือนกันนะเนี่ให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายปฏิบัติเองนี่มันเป็นประจักปัะจักประจักจ ก, จกัเป็นสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโก ไม่ต้องมีใครบอกมาบอกมันเป็นขึ้นไปฉันยอมรบับยอมรับทุกอย่างไม่สงสัยไม่สงสัยถึงเรียกว่าสันทิจโกถึงขั้นดุวิชานี้แล้วเป็นเรื่องที่โห้ยอัศจรรย์มากนะสําหรับจิตผมนะผมพูดจริงๆริงนะพูดอะไรก็ไม่ถูกนะพอถึงขั้นดุวิชาดับนี่วันหนึ่งว่าฟ้าดินนี้ถล่มเลยนะี่นะสะเทือนสะท้านไปหมดเลยมันเป็นอยู่ในจิตนะี่นะขนาดที่ดวิชาขาดจะบ้านลงไปจากจิตจิต มีจากกีตบิมุดดีดถึงขึ้นมานี่โถเหมือนฟ้าดินถลม่มสะทา้านหวั่นไหวไปหมดปรากฏนะสิ่งทั้งหลายเขาก็มีอยู่นั้นแต่มันเป็นในหัวใจเองนะว่าหนึ่งว่าสิ่งทั้งหลายนั้นก็ไหวไปตามหมดมันรุนแรงถึงเล็กขนาดที่ว่าโอโ้โหโอ้โหขึ้นมาเลยนะโอ้โหอย่างนี้หรือเนมันออกอย่างอุทานด้วยอย่างไม่สะทกสะท้านอย่างไม่สงสัยด้วยนะ เอออย่างนี้หรือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้อย่างนี้แหละหรืออย่างนี้หรือนู่นนะฟังที่มันถึงใจว่างั้นเถอะเกิดมาเราไม่เคยพบไม่เห็นธรรมชาติเราไม่เคยคาดเคยหมายว่าจะรู้จะเห็นจะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาพอฟ้าดินถล่มนั่นแหละขณะที่อวิชาก็ปิดอ่ากับวิมุตมันขาดสะวันจากการจิตเป็นวิมุตขึ้นมาที่อวิชาซึ่งเราเคยชมเชยสนรเสริมมันว่าสง่าผ่าเผยละเอียดละอ่ ความอัศจรรย์ล้วงมันกลายเป็นขี้กองขี้ควายขึ้นมาอะขนาดที่มันขาดลงไปอวิจตวิมุตโผ่อขึ้นมาเท่านั้นนะนะวิจตวิมุตเนี่เป็นอะไรฟังสิมันถึงนั่นต้องไปตําหนิอวิชาที่ว่าอัศจรรย์เกินเกินค่าดเกิหมายกลายเป็นกองขี้ควายไปได้มันไม่เหนือกันขนาดนั้นจะมาตําหนิอวิชาได้หรือทั้งท้งเี่อวิชาแต่ก่อนเราก็ชมมนัน แล้วก็เราเองเป็นผู้มาตําหนิมันว่าเท่ากับกองขี้ควายฟังทีหนะมันเท่ากับกองขี้ควายมันเร็วขนาดไหนเหลีวไหลขนาดไหนหลอกเรามาได้ขนาดไหนพอถึงขั้นไม่หลอกแล้วมันก็สนุกดูกันนะจีนี่แหละที่ว่าอศัศจ ร, รันตเวลามันขึ้นมานี่จ้าไปหมดเลยโถเป็นอย่างนี้เหลือยนี้เหลออโอพระพุทธเจ้าท่านท่านตรรู้อย่างนี้แลเหรออย่างนี้เหรออน่นนะแล้วพระธรรมแทบเป็นอย่างนี้แลเหลเรือ พระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้ได้เหรอนั่นมันเป็นแล้วนั่นอ่ะมันถึงเป็นอย่างนี้ลเลยหรือหรอเออแล้วกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอเดียวกันได้ยังไงมันเป็นแล้วนั่นเป็นแล้วเป็นธรรมาธาตุล้วนๆแล้วทวันน้าก็เป็นมาหาสมุทรเต็มตัวแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับน้ําสายต่างๆที่จะไหลเข้ามาแหละเป็นน้ำมหาสมุทรเต็มตัว น, นี้ถ้าพูดถึงเรื่อง ธรรมาธาตุก็เป็นตัวตเต็มตัวแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมสองคือธรรมาธาตุเป็นหนึ่งเดียวกันเท่ากับน้ํามหาสมุทรเมื่อเป็นอย่างนั้นไปถามพุทธเจ้าหาอะไรพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนถามหาอะไรถ้าทำพระสงฆ์เนี่ยถามอะไรก็มันเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นเป็นธรรมาธาตุล้วนๆเท่ากับน้ํามหาสมุทรครอบโลกธาตุเป็นธรรมาธาตุด้วยกันทั้งนั้นและวไปถามท่านหาอะไรนี่ละที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมบนนั้นเราทาโคตเต็มตัวเห็นตรงนี้ ไม่สงสัยที่ไปทูลถามพระเจ้าพระ อ, องค์เป็นผู้เช่นไรธรรมชาตินี้แหละคือพุทธพุทธแท้หรือพุทเจ้าแท้ธรรมาธาตุแท้คื อ, อ น, นี่สำหรับเรือนร่างคือสกุลอากาศนี้มันก็ต้องแตกต่างกันเป็นธรรมดาเช่นนีน้ท่านนิพพานที่เมืองนอนท์เมืองนี้อยู่อินเดียนั้นเป็นอย่างไรอันนั้นเป็นสังขารร่างกายมันพังลงเป็นส่วนผสมของธาตุขัน ธรรมธาตุท่านเป็นแล้วตั้งแต่วันท่าน ต, ต, ตรัสรู้นั้นครองธาตุขันธ์นี้อยู่พอธาตุขันธ์ถลายไปธรรมธาตุนั้นก็เต็มตัวไม่ต้องมีความลับผิดชอบอะไรอีกเลยนั่นแหละที่ว่าสมมติขาดไปหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือในกิจของมาลาและพัดของธรรมธาตุนั้นเลยก็ขณะที่ธาตุขันธ์ดับลงไปเพึบแล้วนั่นแหละสมมุติหมดโดยประการทั้งปวงทั่วแดนโลกธาตุไม่มีความหมายอะไเลย มีแต่ขันตอนนั้นที่ดี้ที่ดินสัมผัสสัมพันธ์ให้รับทราบตลอดเวลาเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านจะมีความรับผิดชอบในเพียงขันนี้เท่านั้นมีผ่านกันอยู่ตลอดเวลาคือธาตุขันพอธาตุขันนี้ดับลงไปแล้วก็หมดส ม, มุินี้หมดโดยประการทั้งปวงไม่มีสิ่งใดเหลือห ล, อ เ, หลอเลยนั่นเป็นอย่างนั้นน ะ, ะนี่ละจิตที่มันถึงขั้นเต็มบูมขมันแล้วอย่าไปทูล ถ, ถามผู้เจ้าหาอะไร พูดแล้วซาทุกคนเลยนะมันประจักษ์ขนาดนั้นแล้วถึงขนาดที่ว่าเฮอยพระพุทธเจ้าตัดรู้ตัดรู้อย่างนี้แหละหรืออย่างนี้หรือคือมันจังๆแล้วนั่นอ่มันไม่มีอะไรสงสัยกันแล้วแล้วทาแทบเป็นอย่างนี้เหรอไปอย่างนี้หรือพระสงฆ์แทบไปอย่างนี้หรือมันเข้าไปคนเดียวกันแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนี่มันเป็นแล้วนั่นเป็นธรรมธาตุอย่างเดียวกันแล้วแล้วจะไปถามใครนี่แหละจิตดวงนี้แหละเวลา ถึงขั้นนั้นแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงท่านแสดงไว้ว่าอุสิตังพระมจริยงังกัตตังกริยงังนาพลังอิจายาติปะชานาติเซตปิดในพุทธศาสนาคืองานที่ควรจะบำเพ็ญได้บำเพ็ญสำเร็จเรียบร้อยแล้วงานอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีนั่นนั่นแหละงานพุทธศาสนาเมื่อกิเลสขาดสะบัลงไปจากใจแล้วเรียกว่า งานนี่หมดโดยสิ้นเชิงงานละการบำเพ็ญไม่มีอีกเลยไม่มีอะไรเขาไปเกี่ยวข้องก็งมีแต่เรื่องธานเรื่องขันแนวความเป็นอยู่ผู้วายพายจริงอยู่หลับนอนเป็นธรรมดาเป็นเรื่องธานุลรื่องขันการที่จะให้เป็นงานละกิเลสเป็นงานต่อไปดังที่เคยเป็นมาแล้วส ด, ดโดยสิ้นเชิงขนาดที่กิเลสขาดจัตวาสขงไปแล้วนั่นนั่นละงานของธรรมมีเวลาสิ้นสุดยุติลงไล่ตั้งแต่ขนาดนั้นแล้วไม่ปรากฏว่ามีงานอะไรที่จะให้จิตทม เพื่อละเพื่อถอนตีดต่อไปเลยมันก็ประจับอยู่ในหัวใจแล้วก็รู้ประจับอย่างนั้นด้วยว่างานนี้สิ้นเสร็จลงไปแล้วขันต่อ ม, มันก็มันก็เป็นตามปัจจุบันที่เป็นอยู่นั้นไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่จะให้เราทําอีกต่อไปเนี่ยการลากเกลียดสิ้นสุดลงไปแล้วไม่มีงานละเดียวไม่มีอะไรเป็นข้อกังวลต่อไปไอ้งานของกิเลดไม่มีสิ้นสุดนะพาสร้างพาทำเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ยิ่งอยากได้อยากมี ยิ่งดิดยิ่งดินงด้นยิ่งมีแต่ความทุกข์ความทรมานเต็มหัวใจเต็มวันใจเต็มโลกเต็มองศาเหมือนกันหมดงานของกิเลสในหัวใจสัตว์โลกโลกมีความมั่งมีสีสุขมากน้อยเพียงไรอย่าเข้าใจว่าผู้นั้นจะมีความสูงนะก็คือพ่อภูนงานขึ้นให้ดีดให้ดิ้นต่อไปไม่มีเป็นน้ําร้นฝั่งน้นําร้อนฝังตลอดไปที่จะพออยู่ในขอปากแก้วไม่มีนอกจากทำอย่างเดียวเท่านั้น ทำเนี่ยมาถึงขอบปากแก้วแล้วสิ้นสุดดิมุตถูปพ้นหมดไม่มีงานทําอีกแล้วโอ้ยเจ้าหมดภาระเรื่องการละเกลียตตั้งแต่ขนาดจากกาัดลูพระรหันต์ทั้งหลายหมดภาระตั้งแต่ขนาดที่บรนรูท้ทำปังขึ้นมาตอนนั้นหมดตั้งแต่วันนั้นมาไม่มีงานอะไรอีกเลยนัก็มีแต่เรื่องทาติเรื่องขนการสงฆ์ข้อโลกสงสารซึ่งเป็นเรื่องภายนอกไม่เห็นจําเป็นอะไรกับเรื่องจิตใจที่บรรลุแล้วอีกต่อไปเลยนั่น นี่ละการปฏิบัติธรรมขอให้ตั้งหน้าตังา้งตาปฏิบัติมากคนที่ผ่านยาไปถา ม, ถามหากิเลสหลอกตางมันหลอกอากาลิโกอากาลิโกท่านแสดงแล้วทำเป็นอากาลิโกเป็ไม่เลือกสถานการเวลาใครบำเพ็ญทำเมื่อไรทำเกิดใครดิ้นตามกิเลสเท่าไรกิเลสเกิดตลอดเวลาเหมือนกันหมดกิเลสก็เป็นอากาลิโกเหมือนกันทําให้เกิดกิเลสมื่ อ, อะไรเกิดได้มากน้อยตามผู้ที่นั่นดีดดิ้นประจามัน ผู้บำเพ็ญธรรมะมากน้อยก็แล้วแต่กำลังวางชางพู้นั้นจะทำจนกระทั่งถึงวิวววววมุตต์หลุดพ้นไปแล้วเรียกว่าน้ำเต็มแก้วแล้วพอไม่ต้องมาทำอะไรอีกต่อไปนี่แหละเรื่องมรรคผลิพานศาสดาอ ง, อ, งองค์เอกคือพระเจ้าของเราจัดจะรู้แล้วไม่มีอะไรสงสัยสอนโลกทั้งหลายที่สอนมาจากมามาจากหลักความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเสมอกันหมด ไม่มีอะไรคำว่าดอยไม่มีอะไรว่ธธาผิดพลาดที่ศัตวาสอนไว้แล้วตรงเป่งตรงเป่งเลยนให้จังใจปฏิบัติทำของตามหลักสตาตดาไม่มีคําว่าโกโหกเรียกว่าสัวขาดำสัวขาดำตัดไว้ชอบแล้วชอบแล้วทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุแมแห่งธรรมทั้งหลายตั้งแต่บาบุญนรกสวรรค์พรมโลกนิพพานเต็มแม็ดต็เต็มหน่วยตามหลักความเป็นจริงที่มีอยู่นี่แหละจํากันทุกคนจําว่านะเทศไปเทนมาไม่พอรู้สึกเหนื่อย เหนื่อยไปเหนื่อยไปอย่างนี้อาการเทินให้ถือให้เป็นคติตัวอย่างต่อไปให้นะพากันไปปฏิบัติยาเห็นโลกสงสารว่าเป็นของเลิอของเหลือนอะไรมันเลิอเหลือตั้งแต่ความสมมุติเจตสรรันวัณยอนั่นนะแต่ตัวจริงมันไม่ได้เลิอมันสร้างแต่ความทุกข์ให้สัารโลกดี้ดิ้งกันตลอดเวลาก็คือกิเลสนั่นแหละทําท่านไม่สร้างนะท่านอยู่สม่ำเสมอพอดีพอดีทุกด้านทุกทางเป็นอย่างนั้นนะ พากันตั้งอกตั้งใจอะละการแสดงธรรมก็ขอสึ้ควรตกกำลังวางชาทางหน้าทางตาปฏิบัติเนะี่ยอะละพอโอ้เหนื่อยแล้วเค่ีเท่านี้เหนื่อยแล้วนะ